ถ้าจะเอาแค่ว่าจิตตั้งมั่นมีสมาธิก็แค่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งอย่างเราดูลมหายใจอยู่จิตนี้ไปคิดเราก็รู้ทันรู้ลมหายใจอยู่จิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันเอาทุกคนนะดูหัวแม่มือตัวเองยื่นห่างๆนิดนึงอย่าไปจิ้มคนอื่นนะยื่นห่างๆ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 เราใจเราเป็นคนดูอยู่เพราะมันความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยว่าความโกรธกับจิตนัก็ครละอันกันความโกรธผ่านมาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วไปความโลภผ่านมาแล้วก็ไปความหลงความฟุ้งซ่านความหดหูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุขทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราเป็นแค่คนดูสบายๆเราจะเห็นว่าความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นคนละนกัน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 เห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวนะแม่ใจมันเปลี่ยนเลยตามองเห็นน่ใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเคยไหมได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งพอได้ยินเสียงคนนี้ก็โกรธแล้วขณะดเขาพูดเพล้อๆพูดดีๆก็โกรธเลยเคยมีไหมคนนี้พูดหวานพูดดีเลยพอได้ยินเสียงนะัปรี๊ดแตกเลยนี่เกลียดมากเลยทั้งๆที่เขาก็ดีกับเราทุกอย่างเลยนะเนี่ยหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนนะได้ยินเสียงหมาเห่า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 อย่างหลักของพระเนี่ยนะต้องมักน้อยต้องสันโดษใช่ไหมพระมีรถสปอร์ตได้ไั้มมักน้อยั้มสันโดษไหมพระวันวันครุกคลีกับโยมเนี่ยหลวงพ่อนี่นะโยมเข้าไม่ถึงเลยรู้สึกหมเหมือนอะไรที่แต่ต้องไม่ได้เลยไม่ถึงเพราะอะไรไม่ชอบครุกคลีมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วถึงเวลามาคุยด้วยนะหมดเวลาแล้วอย่ามายุ่งกันนะต่างคนต่างภาวนานะ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 นืใจมันดูมาจากข้างบนค่ะตั้งมันตรงๆงแต่ว่าเราอย่าไปอย่าไปจับมันนะแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปจับใส่มันอย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าจ้องแล้วติดสมถะ อ, อีกแบบหนึงหนูตั้งมันตรงๆหนูคิดว่าแต่หนูพยายามดูลมหายใจแต่หนูจะเซตจุดหนึ่งที่ตรงออย่าไปเซตไม่เซตใช่อย่าไปเซตไว้ให้มันเป็นธรรมชาติงั้นจะแข็งไปอ๋อค่ะโอเคแซงว่า้เราอย่าไปตั้งตัวรู้ไว้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 หน้าที่เราอย่าไปติดนิ่งติดเฉยปล่อยให้มันทำงานถ้าปล่อยให้มันทำงานเวลาที่ฟุ้งมันกฟุ้งไม่แรงให้มันทำงานไปแต่ถ้ามันไปติดนิ่งมันจะฟุ้งแรงอย่าไปอยู่เฉยๆนะสงสาจิตไปติดนิ่งติดเฉยดูกายไปเลยเห็นกายไม่ใช่เราดูเป็นส่วนๆไปก็ผมขนเล็บฟ่านังไม่ใช่เราดูไปงั้นก็ได้ครับขันมศกาหลงพ่อครับก็ไงก็